ขึ้นอนรับที่ผาแดน่นตื่นเช้าได้เวลาก็ไปบินทบาทกับองค์ท่านมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมารับบาดองค์ท่านและมารับใช้ฉันเสร็จจึงเอาเข้าวเสร็จกลับบ้านและอากาศตอนกลางคืนก็ยังมีหนาวเย็นเยือกอยู่พอสมควรฉันเสร็จแล้วล้างบาดเช็ดเสร็จแล้วกราบเรียนองค์ท่านว่าที่พระอาจารย์เปิดประตูให้กระผมอยู่ด้วยนั้นเป็นบุญอันล้นเก้าของกระผมแล้วแต่นิสัยกระผม เป็นคนขี้กลัวอยู่บ้างถ้าผมอยากดัดสันดานมันอยู่ถ้าหากว่าก็าผมไปอยู่ถ้ำผาแดนองเดียวพระอาจารย์จะเห็นสมควรหรือไม่หนอประการใดขอรับและกระผมก็มีปัญหาอยู่อันหนึ่งคือหลวงปู่มั่นปาลบในปีนี้ว่าผู้ใดไปเที่ยววิเวกกลับมาถามเรื่องภาวนาไม่ได้ความจะไม่ให้จำพรรษาด้วยข้อนี้ก็เจ็บปวดมากเท่ากับว่า กับผมแบกแผนดินแผนฟ้าอยู่ยังเป็นผู้ตองหาแก้ยังไม่ตกครับองค์ท่านได้ทอดสายตาลงต่ำอยู่สักครู่แล้วก็กล่าวว่าคุณเรียนผมแบบนี้มันถึงจิตถึงใจผมมากผมอนุโมธนาสาธุการเอาให้ดีนะยกธงแดงต่อสู้แล้วองค์ท่านก็บอกว่าเอาเตียมบริขนันผมจะให้โยมคนนี้แหละตามส่งจนถึงถ้ำผาแดง ไปทางหลังภูเลยไม่ต้องลงไปทางตีนภูกราบลาสามทีแล้วก็ออกเดินทางให้โยมออกก่อนเพราะเป็นทางไม่เตี่ยนโยมจะสะพายเอาบาดแต่ไม่ให้สะพายเพราะเกณฑ์เขาหนักเกินไปเลยแบ่งห่อผ้าออกให้เขาถือหรือสะพายเอาบ้างเดินภาวนาไปเงียบๆประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็ถึงถ้ำผาเดน่นแล้วก็รีบบอกโยมให้กลับบ้านเขาแต่เขาก็คงขําบ้านนากรับแก่หรือมิชนัน ก็คงขําบ้านเหล่านกยุงเพราะต้องไปตามไหล่เขาทางทิศตะวันออกขณะที่โยงกลับบ้านก็เตรียมตัวจะขึ้นถ้ำบรรดาลมีพึ่งฝูงหนึ่งบินกรูเข้ามาตอมรอบตัวเป็นกลุ่มๆตั้งพันๆตัวบินวนเวียนอยู่รอบตัวแต่ไม่ถูกกายบินรอบทั้งส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างของกายบินชา้ชาๆขณะจิตนั้นใจจะว่ากลัวพึ่งก็ไม่ใช่จะว่ากล้าหาญก็ไม่เชิงยืนคำหนึงอยู่ว่า เอ๊ เ, อเราก็มีได้นึกได้ฝันว่าจะมาก่อกรรมทําเวรกับท่านผู้ใดทําไมจึงเป็นอย่างนี้หนอพอนึกอย่างนี้จบลงพึ่งทั้งฝูงฝูงก็บินขึ้นหน้าผาหมดเข้าลังเดิมของมันแล้วสังเกตก็ได้ความว่าเมื่อเรามาไม่ได้มองสูงไม่เห็นลังของมันต่อเมื่อมันเข้าลังเราจึงได้รู้ว่ามันบินออกมาจากลังลังของมันมีรอยเหยียบเขียวมาตีขาดวินไปบ้างแล้ว เหตุที่มันบินกลับทุกตัวไม่กัดเลยนั้นจลอยจะเป็นด้วยเราคำนึงถึงธรรมว่าไม่มาเอาเวรเอาภัยกับท่านผู้ใดก็อาจเป็นได้กระแสจิตของมันจึงเบาทางโกดลงก็อาจเป็นได้เราก็ไม่รู้จักขณะจิตของมันเป็นเพียงเหตุผลเดาด้นเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นเรื่องแปลกและสำคัญอะไรเขียนไว้พอให้เป็นอตีตาลมที่ได้ผ่านทุกมาในการท่องเที่ยวของสังขารลงทุนบารมีปรีปฏิบัต ขั้นแล้วก็เอากาไปตักน้ำรีบปัดกวาดเล็กๆน้อยๆพอได้ข้อวัดเวลาก็ค่ำมืดพอดีมีกระตอบเล็กๆอยู่ในถ้ำเงื้อมหน้าผาปูด้วยไม้กลมเล็กๆเอาใบขาปูรองและกั้นโดยใบขาปาพอหลวมตัวด้านบนมุงด้วยหินธรรมชาติหันหัวไปทางหิวคือทางทิศเหนือทางจงกรมยาวประมาณสี่วาตรงทิศตะวันออกผ้าปูนอนก็คือผ้าอาบนา้าผืนเดียว เจ็ดบาทก็ผืนนั้นปกหมอนก็ผืนนั้นเช็ดตัวเจ็ดหน้าก็ผืนนั้นไฟก็แล้วจะเดือนดาและพระอาทิตย์จะอํานวยเห็นหรือไม่เห็นเป็นหน้าที่ของลู ก, กตาจะสัมผัสให้มุงและกรดไม่ต้องกลางหมอนก็คือห่อผ้าสังขาติคูตักน้ําอย่าถามหาใช้กาตัดมาทั้งลางเทา้าทั้งฉันการลางเทา้านั่งหย่อนเท้าลงที่นั่งพักลานมือหนึ่งกําฝ่าเท้าทางใตย้ยั้งตัว ยกฝ่าเท้าให้พ้นพื้นมือขวาจับแก้วน้ําเทลงมือซ้ายกําเท้าล้างน้ำครึ่งแก้วก็พอแล้วแต่ละครั้งล้างแล้วพยุงตัวไว้ให้น้ําหนักตัวอยู่ที่ก้นยกขาทั้งสองขึ้นฝ่าเท้าผลนพื้นแล้วเอาผ้าเช็ดแล้วจึงเอี้ยวตัวเอาขาขึ้นทีลานนิฉะนั้นแล้วเท้าจะยังลงเหยียบที่ดินที่หินอีกถึงแม้จะใส่รองเท้าอยู่ก็ต้องล้างเพราะการใส่รองเท้าก็กันได้เพียงหนามบางอย่าง และทางขุบขัดหินคมดินคมบ้างต่านั้นจะ ก, การฝ่าเท้าทางคืนไม่ให้ดำนั้นไม่ได้การรักษาเท้าไม่ให้ศกปรกก็มีพระวินัยกวดขันอยู่ขณะที่อยู่นั้นไปดินสบาททางไกลลอยเส้นได้ไปตามหลังเขาประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วเอียงลงชายเขาเป็นดงบ้างแล้วจึงตกทุ่งนาใกล้บ้านกลับออกมาแล้วฉันที่ทุ่งนาเล็กๆมีน้ำบ่ออยู่ตรงนั้นมีโยมชื่ออาจารย์เสน เขาตามมาปฏิบัติฉันเสร็จล้างบาทเรียบร้อยแล้วก็สะพายบาทเปล่าขึ้นภูเว้นวันฉันบ้างและบอกโยมเขาให้ดูเพื่อให้เขาไม่ต้องคอยในวันที่ตนไม่ไปบินทบาทขณะนั้นมีควายดุร้ายอยู่ตัวหนึ่งเขายาวคงมันขิดคนมาหลายหลายแล้วแม้เจ้าของมันก็ไล่ผิดเช้าวันหนึ่งบันดาลไปพบที่กลางทางใกล้เข้าบ้านมันขวางทางอยู่ไม่หนีเลยแกลงเขาใส่ใกล้ประมาณหกเจ็ดวาง เป็นตัวผู้ถ้าเป็นมนุษย์ก็อายุราวสักสาสิบปีโตด้วยอ้วนด้วยสูงด้วยต่างก็ยืนเฝ้ากันอยู่ประมาณสิบนาทีครูยังไงก็ไม่หนีพูดดีๆก็ไม่ฟังแกว่งเขาออกลูกไม้อยู่อย่างนั้นก็เลยกลับเข้าลัวเขามันก็ตามอย่างโชคโชนเล็ดลอดแอบที่นั้นที่นี้ก็เลยผ่านพ้นไปได้ชาวบ้านเขาทราบเรื่องราวเข้าเขาไปบอกเจ้าของมันให้ปล่อยใสา ย, สาย และเขาบ่นพิไลลำพันนานาว่จาจะขายให้เขาค่าเสียก็ไม่ขายควายตัวนี้เดือดร้อนบ้านเมืองมานานแล้วคุมพวกบ้านตากแดดที่ไปทอดแหยอยู่กลางทุ่งก็เกือบตายแต่เดชะบุญขึ้นต้นไม้ทันทิ้งแหยไว้ข้างล่างมันชนแหยอยู่ใต้ต้นไม้ขาดเป็นชิ้นเป็นอันแหลกลานไม่มีชิ้นดีไล่ชนเจ้าของที่ไล่อ้อยวนไปเวียนมาอยู่แต่เช้าจนเที่ยงบรรดา น, นึกเ็นอ้อยลำโตๆขนาดว่า ก็เข้าต่อสู้จึงพอมีเวลาหลบหนีทันอันนี้พระท่านยังโชคดีอยู่บ้างไม่เป็นอันตรายเขาผ่ากันบ่นอึกระทึกแต่ต่อมาเขาก็ปล่อยสายให้ผ่านพ้นในยามพระบินทบาตเมื่อมาพิจารณาดูเรื่องโทโสโมโหโลโพนี้มีอยู่ในขันธะสันดานของสัตว์ทุกตัวสัตว์ต่างกันเพียงหนักเบาเท่านั้นเมื่อกิเลสมีอยู่ทุกตัวสัตว์เทวดามารพร ม, มนุษย์ ทางบรรเทาถ่ายถอนตลอดหลุดพ้นจึงมีอยู่ทุกตัวสัตว์เทวดามารรมมนุษย์พระองค์ผู้รู้ธรรมจึงสามารถยืนยันได้ว่าอริยะธรรมเมติโตนโลอริยธรรมอันประเสริฐย่อมมีย่อมตั้งอยู่ที่นรชนถ้านรชนรู้และรับรองว่ากิเลสมีอยู่ในตนจริงๆการเห็นโทษในกิเลสก็ไม่อาจปฏิเสธด้วยตนเองการละ การพยายามละออกจากขันธ์สันดานก็ไม่อาจปฏิเสธได้อีกย่อมเป็นการเขารบและจํานนต่อพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วถ้ากิเลสไม่มีอยู่ในสัพพะไตโลกธาตุแล้วพระนิพพานก็ไม่มีในพระนิพพานอยู่นั่นเองความอัตคัดคือสมบัติของพระสุตดงการพักอยู่องค์เดียวไม่เกี่ยวกับมูเกิดเป็นอู่ของการพิจารณาธรรมะลดจิตใจใคล้ายธรรมสูงขึ้น จ, จะเจริญกรรมาฐานอันใด ก็ดูว่าโล่งหัวใจไม่ได้ขู่ไม่ได้เข็นให้ทําดู ด, ดื่มเองเป็นเองสติปัญญาจิตใจอยู่ติดสนิทกับตัวถ้าเทียบใส่โคและกระบือก็ไม่ต้องต้อนเข้าคอกยากเวลาเข้ามันเข้าเองเวลาออกก็รู้จักขอบเขตกายใจเบาโปลงไม่มึนงงสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยปฏิบัติมาก่อนก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นในใจผู้ใดไม่ยินดีในวิเวกก็คือผู้นั้น ไม่ได้เคยดื่มลดวิเวกเคยดื่มแต่ลดวิวุนกายวิเวกก็ดีจิตตาวิเวกก็ดีอุปัตติวิเวกก็ดีก็รวมลงมาเป็นเอกะวิเวกอันเดียวกันจะบัญญัติหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนักเลยที่บัญญัติไว้ก็เพราะเป็นแผนที่แต่ตัวเนื้อที่จริงๆแล้วหดตัวเข้ามาเองหาเอกปัจจุบันวิเวกลงมารวมกันเองไม่ได้ตอนมาฮือฮือฮอหาฮาเหมือนโคและกระบือเลย ผู้หวังพ้นทุกข์ในสงสารโดยด่วนโดยแท้จริงจึงจะพูดกันออกบอกกันถูกปลุกกันได้ให้กันเป็นนิะนันแล้วก็จะตรงกันข้ามไปละ่ะพระธรรมเป็นของลุ่มลึกแต่จะลึกสักเพียงใดก็ลึกลงที่ใจจะตื่นก็ตื่นขึ้นมาที่ใจไม่ใช่ลึกตื่นอยู่ที่ดินฟ้าอากาศลมไฟน้ำภายนอกผู้มีสติปัญญาอยู่กับใจ ย่อมขุดถึงใจถึงธรรมไม่หนีจากธรรมจากใจไม่หนีจากใจจากธรรมไปได้ถ้าหาก็หาอยู่ที่ใจที่ธรรมถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจที่ธรรมที่ธรรมที่ใจทวนไปทวนมาอยู่อย่างนี้พระักทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำผาแดด น, นั้นการซักผ้าและยอมผ้าก็ซักน้ําเย็นและยอมน้ําเย็นหินดานแห่งใดเป็นทางเล็กขนาดกละมังก็ซักที่นั้นยอมที่นั้น ฝนหินแดงลงที่นั้นไม่ยากไม่แค้นอะไรน้ำร้อนก็ดีขามป้อมสมอไม่ต้องเกี่ยวและไม่ต้องเอ่ยปากถามหาอีกด้วยยาแก้ไขแก้หนาวและแก้พิษสัตว์กัดต่อยก็ไม่มีในย่ามในถุงและก็ไม่สนใจจะหาอีกด้วยแม้ไม่ขีดไฟเทียนไขก็ขาดมานานแล้วเมื่อถูกงู ก, กัดเกี่ยวกับพิษสดๆก็นึกเห็นแต่มูดตัสวะคูดอุจจาระและดินเท่านั้น ส่วนที่เท่าก็ไม่นึกหวังจะได้โมดคูดดินฉันปลกันแล้วหายก็หายไม่หายก็ยอมภาวนาตายองเดียวไว้ให้เทวดาผู้ใจสูงมาพบเขา้าจะได้ปรองทรรมสังเวชเป็นเหตุให้เขาได้กามาพระจรกุศลเพิ่มขึ้นไม่ได้ทิ้นแหนงแข่งใจในเรื่องศพศพสับๆด้วยชั้นต่ำที่สุดก็ฝากไว้กับโยมอุปปาธนับแต่มลงวันและหมูนอนอกาอีแลงมาจิ้งจอกหมาในขึ้นไป ความพอใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากธรรมป่ายกิเลสที่เรียกว่าไอ้หลงหลงหลายๆนี้ย่อมชนะความพอใจในการปฏิบัติธรรมเพื่ออาม i ตรใดๆในโลกทั้งสิน้นจิตใจและเจตนาของเจ้าตัวย่อมมีอิทธิพลเฉพาะเจ้าตัวขับมิจฉาทิฏฐิเฉพาะเจ้าตัวให้ขาดกระเด็นออกจากเจ้าตัวได้แบบไม่ขบดคืนได้เรียกว่าชนะแล้วไม่กลับคืนมาแพ้ในตอนนี้อีก มีแต่ตั้งใจเดินทางลุดหน้าในมรรคภาวนาเท่านั้นเองละ่ะและในยุคที่พักอยู่นั้นวันขึ้นก็ดีแรมก็ดีเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำเขาขึ้นไปนอนรักษาศีลถ้ำหนึ่งอีกต่างหากไกลจากที่พักของตนประมาณหกเส้นมีคนจำนวนประมาณหกเจ็ดคนเขาไปทำข้าวหลามไม้เปาะใส่บาทวันเช่นนั้นบินทบาดลานหินไกลจากที่พักของตนประมาณสี่เส้น ไม่ได้ไปบินสบาดถึงบ้านฉันที่ลานหินนั้นมันถึงจิตถึงใจตนเองจริงๆเข้าหลามเฉยๆไม่มีกับก็คืนสบายเชี้ยวสบายมันรู้จักทั้งกำลังส่งเข้าปากรู้จักทั้งกำลังเคี้ยวรู้จักทั้งกำลังคืนรู้จักทั้งที่ตกลงในกระเพาะมันเบากายเบาใจโปร่งคล้ายกับฉันอยู่กลางอากาศคล้ายกับอาหารเทวบรเทวดาความอิ่มกายอิ่มใจในธรรมะ ชนะความอิ่มกายอิ่มใจในอามิตรไกลกันเหล่าฟ้ากับแผ่นดินฟ้าก็ยังเห็นเมฆหมอกพระอาทิตย์เดือนดาวเป็นเครื่องหมายสมัมมติมันไกลกว่านั้นอีกทะะทเทวธรรมเหยพูดน้อยไม่พอใครพูดหลายถูกกล่าวตู่ว่าอุตลิบความอิ่มกายอิ่มใจในชั้นนี้เป็นชั้นต่าๆดอกความอิ่มกายอิ่มใจของท่านผู้พ้นแล้วนั้นไม่มีเครื่องหมายเปรียบเทียบเสียแล้วผู้เขียนผู้ฟังผู้อ่านอยากรู้เท็จจริงเพียงไร ผู้เขียนผู้อ่านผู้ฟังก็จงประพฤติตนให้พ้นจากกิเลสจนสิ้นเชิงก่อนหากจะลู่เองดอกไม่ต้องทุ่มเทียงเกียงงอนกันให้เป็นปัญหาโลกแต่ก็ได้ปัญหาของสัตว์ทั้งหลายจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อสำเร็จพระอรหันต์ต่ำกว่านั้นลงมายังเป็นภาตุปัญหาของตนอยู่แต่ปัญหาแบ่งออกเป็นสองปัญหาทางโลกียวิสัยปัญหาทางโลกุตตะาวิสัยเว้นพระอรหันเสีย เพราะไม่นับใจในปัญหากาวต่อในเรื่องโยมที่ขึ้นมาใส่บาตเขา้าหลามบนภูโยมพวกนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าถ้ำนา้าคำบงนี้เป็นถ้ำมืดที่พระคุณเจ้าเที่ยวเข้าไปสงและตัดมาไว้ชายฉันนั้นกลางวันแสบแสบบางวันก็มีเสือโครงบ้างเสือดาวบ้างเสือดำบ้างหมีบ้างหมูป่าบ้างเข้าไปกินน้าที่นั้นส่วนกลางคืนนั้นก็บอกไม่ถูกละ และก็มีงูใหญ่ลอยกว้างสองคืบไปไปมามาอาศัยอยู่ในที่นั้นและมิหนำซํำถ้ำที่พระคุณเจ้าเดินจงกรมและพักนอนอยู่นั้นมันมีงูเหลือมอีกตัวโตลอยทางกว้างหนึ่งคืบได้ตอบเขาว่าเออถ้าอาตมาจะกลัวหรือไม่เพียงไรก็ดีก็เป็นหน้าที่จะมอบเป็นมอบตายต่อพุทธธรรมสงฆ์อยู่แต่ลายแล้วจิตใจก็จะมอบให้กรรมและผลของกรรมในชาติปางก่อน ก็ถ้าสิ่งเหล่านั้นจะมากอ่อกันใหม่เริ่มต้นก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะอาตมาแบ่งเวลาแผ่เมตตาอยู่แต่ละวันแต่ละคืนศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาอันมีปัญญาเป็นนายหน้าอยู่เป็นส่วนมากแล้วถึงแม้ว่าความกลัวจะมาชิงออกหน้าบ้างเป็นบางขณะจิตพระศรัทธาพระสติพระปัญญาก็คงไล่ความกลัวให้อยู่ข้างหลังคงไม่แสงออกหน้าได้ตามอําเภอใจนะัก แม้ความขี้เกียจและความลังเลก็เหมือนกันเมื่อภัยโลภภัยโกรธภัยหลงปลูกฝังไว้ในขันท่าสันดานมาในอดีตจนบัดนี้ยังไม่ลดละและหายขาดก็ย่อมเป็นผู้เกิดมาคุณเวนคุณภัยไม่มีวันจบสิ้นได้ภัยแก่ภัยเจ็บภัยตายจิปาเถะสารพัดย่อมเป็นบริวารเป็นเมืองขึ้นของภัยโลภโกรธหลงแต่เมื่อพ้นจากภัยกิเลสไปหมดแล้วภัยแก่ภัยเจ็บ ภายตายตามมาถึงก็ไม่มีพิษสง์อันใดคลายเลือนลางว่างเปล่าไม่มีเจ้าของห่วงอยู่ในเลือนนั้นสิ่งเหล่านี้ได้พิจารณาเตรียมไว้ล่วงหน้าไม่ค่อยจะเลือนลางเพราะเป็นหน้าที่จะต้องเดินทางใจให้ไปถึงอยู่นิฉะนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมเพื่อทำเพื่อใจเพื่อหลุดเพื่อพน้นก็ไม่กระจ่างจิตไม่เป็นธรร ม, มาธิปไตยไปได้กลายเป็นอัตตาธิปไตยบัญญัติขึ้นตามอัตโนมัติของกิเลสตน เป็นโลกาธิปไตยแล่นไปตามโลกหน้าเดียวพบหมูป่าลูก อ, อนหันมาป่าลบเรื่องเขาบอกว่ามีเสือเสืองูงูหรืออะไรต่ออะไรอีกอยู่ไปก็ไม่เจอไม่เห็นเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่หนักใจอะไรเห็นหมูป่าตัวเดียวเท่านั้นเวลาเช้าเดินไปบินสบาดตามหลังเขาระหว่างที่พบนั้นหนนทางคตเหมือนแขนสองงอเดินภาวนาไปทุกก้า ขาเข้าไปเจอหมูยืนผินหน้าตรงห่างกันสองเมตรหมูนั่นสูงประมาณหนึ่งเมตรพอขาซ้ายก้าวเหยียบพืนขาขวายังไม่ทันยกขึ้นก็เห็นหมูยืนผินหน้าทำตาพลิบๆอยู่ทั้งหมูก็ไม่สะดุ n งคนก็ไม่สะดุงต่างก็ยืนดูกันอยู่ประมาณห้าวินาทีได้บรรดาพิจารณารวดเร็วว่าเดี๋ยวมันจะไปคอกเพราะมันกาลังพะวงพอนึกอย่างนี้จบลงมันก็วกขึ้น แล้วก็วิ่งเบาๆไปทางขวามือใกล้ๆลูกเล็กๆของมันสามสี่ตัวก็วิ่งตามแม่มันไปแต่ก่อนไม่ได้เห็นลูกมันเห็นแต่แม่มันและนึกในใจขึ้นได้ว่าผู้ภาวนามีสติอยู่กับกายกับใจติดต่ออยู่พร้อมกับขาเก้าเดินนี้เมื่อไปเจอสิ่งอันหน่าสะดุง้งที่ใกล้จีบก็ไม่สะดุง้งเพราะสติสัมปะชัญญะอยู่กับกายใจโดยเฉพาะไม่ได้ส่งออกนอกสมาธิภาวนาแบบนี้ สมดุลด้วยสติสัมปะชัญญะและปัญญาไม่ใช่หัวต่อชานังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิแปลว่าตั้งมั่นในการเพ่งอยู่สติแปลว่าระลึกได้ในการเพ่งอยู่สัมปะชัญญาแปลว่ารู้สึกตัวในการเพ่งอยู่ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในการเพ่งอยู่สมดุลเป็นขณะเดียวกันไม่ใช่คนละขณะดอกผู้ที่ชอบเติมสะดุ้งผวาขณะนั้นสติสัมปะชัญญาไม่อยู่กับตัว ส่งออกนอกมากสติสัมปะชัญญะหวนเข้ามาหาตนภายในชาไม่ทันกับเวลาก็สะดุ้งผวามันเอาไปกินก่อนอย่างมันหนักได้ใส่ยาทายาหม่องยาหม่องคืออะไรคือกําหนดลมหายใจให้ดีหรือสมถะใดๆก็ได้หรือวิปัสสนาใดๆก็ได้แต่ชาวโลกชอบพูดว่าโลกประสาทและโลกหวัวใจโลกประสาทและโลกหวัวใจมีในขันธ์วิบากของพระอรหันต์หรือไม่ หรือหากว่าขันธวิบากเป็นฝ่ายสังขารขันขาดตัวอยู่แล้วก็ต้องอาจเป็นได้และอยากทราบว่าการสะดุ้งเป็นสังขารล้วนๆหรือว่ามีโมหะสัมปะยุตโมหะนั้นคือตัณหาเราดีๆนี่เองถูกหรือไม่ผู้พ้นจากตัณหาแล้วเป็นผู้สะดุ้งหรือไม่ถ้าชักข้าสุที่กล่าวเรื่องพระอาหารหันต์ว่าอภิลุอัจชัมพีอนุตตลาสีอปปลาญีติหายตื่นหายสะดุ้ง หายผลพองสยองเศร้านั่นจริงหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นคำจริงแล้วผู้ที่เขามิได้เป็นพระอาหารหันต์เขาก็มีเครื่องทดสอบพระอาหารหันต์ได้ผู้ที่เขาไม่รู้จักทองแท้แต่เขาก็มีเครื่องทดสอบทองเขาก็รู้ทองในเครื่องทดสอบของเขาพูดเรื่องอื่นต่อไปเถิดพักอยู่ที่นั่นวันหนึ่งประมาณเที่ยงคืนลมหายใจเข้าออกละเอียดเข้าละเอียดเข้ารู้ชัดขึ้นว่าผู้ที่ท่านพ้นไปแล้ว ก็พ้นไปไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี่หนอผู้ตะเกียบตะไกยอยากจะพ้นไปก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี่หนอผู้อยู่พอแล้ววันแล้วคืนไปก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี่หนอผู้ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี่หนอขณะที่พิจารณาอยู่นั้นรู้พร้อมกันกับลมออกเข้าอยู่ ไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังแล้วปิติก็เกิดขึ้นอย่างโลดโผนมากลองขึ้นว่าจิงเยงทีเดียวความเห็นชอบตอนนี้ขู่ตนว่ามันจะเป็นบ้านะตอบตอนเองว่าถ้ารู้ตนจะเป็นบ้าก็อย่าเป็นบ้าสิแต่ก็ไม่สำคัญว่าประเสริฐอันใดในขณะนั้นเป็นเพียงปิติที่ประกอบด้วยทํามเห็นชอบเฉยๆกายใจเบาโปร่องอยู่ปรากฏว่าจะชนภูเขาให้ทะลุได้ แต่ไม่ได้หลงชนถ้าชนก็ขอหักตายหรือหัวแตกตายพิติความอิ่มกายอิ่มใจนี้เป็นไปต่างๆนาน า, นาแต่จะอย่างไรก็ตามก็เกิดเป็นดับเป็นไม่พ้นอนิจจาได้ดอกท่านผู้ใดภาวนาห่างเหินจากไตรักแล้วมักจะชวนให้หลงไม่ใช่น้อยเพราะการทะน ong สำคัญตัวเป็นกิเลสที่ถอนได้ยากเพราะนอนเนืองอยู่ในขันธสันดานอันละเอียดเป็นตะกรนอันลึกละเอียด เมื่อน้ำแห้งงวดลงจึงสามารถจะเห็นตะกอนได้มากน้ำแห้งโดยสุภาพไม่จะแห้งแบบเขย่าวขวดแล้วเทเช้าวันหนึ่งลงไปบินทบาตจึงเล่ากับญาติโยมว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งขัดข้องอาตมาจะกลับคืนไปหาหลวงปู่มั่นพ่อคิดถึงองค์ท่านมากจะลงมาบินทบาตฉันที่วัดลางที่บ้านพวกทา่านนี้เขาว่าทาไมไปง่ายเหลือเกินเออ ก็มาอยู่นี่เดือนหนึ่งแล้วนานไปก็เวลาจวนแจแล้วจะได้รีบไปช่วยงานเอาปืนและอะไรอะไรก็ก๊อะแก๊กเพราะปีหนึ่งต้องเอาปืนหลายครั้งพอฉันเสร็จแล้วก็กลับขึ้นภูดูที่อยู่ที่พักจะได้วิโยกพัดลาบไปรู้สึกว่าเวในสถานที่เพราะสถานที่นั้นอารมณ์บางคราวเกิดปิติสังเวชขึ้นในพุทธธรรมสงฆ์ได้ทำให้ตาเปียกหลายครั้งดูดืด่มเสมอกันกันกบถ้ำพระเวท ถ้าถึงเวลาชาวก็ลงไปเพราะบริขารไม่มากและไม่ได้ส่งของอะไรเขาเสื้อหมอนก็ใช้ผ้าอาบน้าและห่อผ้าสังคารติครุก็ไม่ได้ยืมเขากาก็คือครุคุ ก, ก็คือกาน้าพอไปถึงวัดลางเขาก็เอาปลดและมุงและกาน้าไว้ที่วัดลางชาวเข้าไปดินสบาดกลับมาฉันเขาตามมาส่งอาหารในวัดลางประมาณห้าหกคนฉันเสร็จให้ศีลให้พรเขา จัดแจงแต่งของใส่หน้าเขาเขาก็สงวนดูอธิบายให้เขาฟังว่านี่ใบสุทธินี่เชือกตากผ้านี่มีดโกนนี่หินลับคมนี่ของกรองน้ำนี่หนังสือปาติโมกนี่มุงนี่ตดนี่มีดตัดเล็บนี่มีดเหลาไม้สีฟันแล้วก็หมดเท่านี้ทำไมจึงอธิบายให้เขาฟังเพราะเหตุว่าเขาจ้องดูเพราะเขาจะสงสัยว่าหาเอาพระเล็กพระน้อยในถ้าและสับในดิน สินในนามเกรงจะเสียวงตระกูลของครูบาอาจารย์ให้เขาหายสงสัยเสียถ้าเขากล่าวตูเรื่องไม่เป็นจริงเขาจะเป็นบาปแล้วก็ลาเขาเขาไปส่งประมาณเจ็ดแปดเส้นก็ให้เขากลับเพราะตั้งใจจะไปพักวัดป่าสุทาวาดก่อนเพื่อซักผ้าสมัยนั้นมหาภัยบูย์อยู่ที่นั่นองค์เดียวพอจะเข้าวัดก็ห่มผ้าเฉวียงบาลองเท่านั้นขาดจะนานไม่ได้ถอดยากวางบริขารไว้ศาลาแล้ว ขึ้นไปกราบพงษ์ท่านท่านถามไถ่ได้ความแล้วกล่าวว่าเออดีละเฝ้าวัดให้ผมบ้างผมจะไปหล่อพระบ้านคอผมมาแล้วจึงไปเที่ยวอีกหรือไม่อยากไปก็อยู่ด้วยกันได้ตอบท่านว่าไม่ได้อยู่ดอกท่านอาจารย์มหาเอย๋ยเพราะด่วนมากจะขอพักด้วยอยู่เพียงสามคืนเพื่อขอซักผ้าแล้วจะได้รีบไปหาพระอาจารย์ใหญ่มั่นเพื่ออยู่จําพรรษาต่อไปอีกถ้ากับผมเฝ้าวัดอยู่นี้ ถ้าพระอาจารย์มหานานกลับมาผมก็แย่เพราะการไปหล่อพระจะ ก, กี่วันก็บอกไม่ถูกเพราะมีผู้เฝ้าวัดแล้วท่านอาจารย์มหาก็เบาใจบางทีก็มีจดหมายถึงกับผมว่าติดอันนั้นติดอนันนี้ตะพึดตะพืออยู่กับผมก็หมดหนทางขอรับว่าแล้วท่านก็หัวเราะว่าเออปัญญาดีมากซักผ้าแล้วก็ไปได้คะอุบายทรมานสัตว์โลกในเวลาพักอยู่วัดป่าสุทาวาสนั้น ซักผ้าเสร็จในวันที่สองพักอยู่ศาลามีห้องกันห้องหนึ่งตอนเจ้าฉันเสร็จวันหนึ่งได้ไปกราบพระพุทธรูปปางพระปาลิไล่ไยลที่ท่านทาเป็นรูปคอนกรีตมีรูปช้างถวายฝักบัวมีรูปลิงถวายหลวงพึ่งแล้วนั่งพิจารณาตามกระแสะอตีตาลมว่าช้างนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉ์ยังมีข้อวัดปฏิบัติพระองค์ถวายฝักบัวมอบลงเรียบร้อยคุดคูยกหงวงนอบน้อม อ่อนโยนไม่ได้แข็งกระด้างและก็จะได้เป็นพระปัจเจกในอนาคตด้วยส่วนลิงก็ถวายหลวงพึ่งสองมือโดยเขารบพอถวายแล้วพระองค์ทรงฉันลิงดีใจกระโดดขึ้นต้นไม้เต้นไปมาพระตกตายคาที่ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเห็นไหมพระองค์ก็ดีหนีจากพระเมืองโกสัมพีที่บอกยากสอนยากแต่กันเป็นสองฝ่ายทางละห้าอยสอนให้สามัคคีกันก็ไม่ฟังเลยพระองค์ มิได้วินิจใยให้ทางนั้นทางนี้แพ้และชนะเพราะเห็นว่าเป็นอาบัตเล็กน้อยและแต่ละฝ่ายก็มีบริวารทางละห้าลอยเท่ากันจึงไม่ทรงตัดสินถ้าตัดสินให้ทางใดทางหนึ่งแพ้และชนะแล้วอธิกรจะทำเลือกเห็นอยู่ทางเดียวว่าถ้าเราหนีจากพวกนี้ไปด้วยฝีเท้าเข้าป่าลักขิตวันจําพรรษาอยู่ผู้เดียวญาติโยมเขาจะดูถูกพระพวกนี้เองว่าเป็นด้วยพระพวกหัวดื้อนี้ พระองค์จึงได้หนีไปแล้วเขาจะไม่ให้บินธบาตแล้วพระพวกนี้จะเห็นโทษเองต่างฝ่ายต่างก็จะมายอมกันเองไกลเกลีย่ยกันเองระ ง, งับกันด้วยตินวัฏฐานละกะวาไนโดยแน่แทเมื่อทรงอนาคตังสยานยานในส่วนอนาคตอย่างนี้แล้วจึงได้หนีไปมีได้หนีไปด้วยความหมดประตูจะระ ง, งับอธิกรณ์เลยโอ้พระองค์อุบายทรมานสัตว์โลกนี้มีมากมายสมภูมิทแท้ อุบายแบบบัรจงอุบายแบบคมขี่อุบายแบบวางเฉยอุบายแบบยกย่องอุบายต่อล่อต่อเถียงอุบายแสดงยมกะอุบายดักใจทายใจอุบายไล่หนีอุบายปลอบโยนอุบายหนีด้วยผีเท่าพระองค์เองคือเรื่องปาลิไหยที่เรานั่งพิจารณาอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อนั่งพิจารณาอยู่ต่อหน้าพระปฏิมากรอย่างนี้น้ําตาข้าพเจ้าก็ไหลอยู่ไม่ขาดสายอยู่ผู้เดียว เป็นเวลานานประมาณสิบห้านาทีแต่ระวังเพลงท่านอาจารย์มหาภัยบู์จะเห็นนี่มันเป็นอย่างนี้นิสัยของข้าพเจ้าออกปฏิบัติทีแรกก็เป็นบ้าอย่างนี้บ้าอย่างนี้ยาปรมัดทางพระพุทธศาสนาคงรักษาได้ไม่ยากเท่าไรนักกะมังคงไม่เหมือนบ้าประสาท